ลงพ่อครับนายจอยเขาบอกว่าลุงพอมีกระจกวิเศษเป็นคําถามแรกที่พระบูเหียวถามท่านพระครูงั้นหรืแล้วเขาเล่าอะไรให้เธอฟังอีกเขาเล่าว่ากระจกวิเศษสามารถดูเนื้อคู่ได้ที่เขาได้เป็นคู่มั่นกับยมจุกก็เพราะกระจกลวงพ่ออ๋อเขาว่าอย่างนั้นหรือ พูดถึงนายจ่อยทำให้ฉันนึกขึ้นได้ว่าเขาจะแต่งงานวันที่เก้าธันวาที่จะถึงนี้อีกไม่กี่วันแล้วสินะเขานิมนท์พระวัดเราเก้ารูปเลยไม่มีเจริญพระพุทธมนตเย็นเราเห็นจะต้องออกกันตั้งแต่ตีสี่ฉันจะให้เธอกับมหาบุญไปด้วยคงเต็มรถพอดี ท่านนึกขอบใจครูสริษที่ซื้อรถตู้มาถวายครับแต่ผมอยากรู้เรื่องกระจกวิเศษนะครับลุงพอจะกรุณานเล่าให้ผมฟังได้หรือเปล่าแล้วถ้าผมจะขอเออขอดูเนื้อคู่ลุงพอจะขัดของไหมครับพูดอย่างเกรงใจเป็นที่สุดโถเอ้ยบัวเหี่ยว รู้สึกว่าเธออยากจะมีคู่เซ็ต จ, จริงนะจำไม่ได้หรือที่ฉันเคยบอกว่าดวงเธอไม่มีเนื้อคู่จำได้ครับงั้นก็ปแปลว่าเธอไม่เชื่อเชื่อครับแต่ผมอยากให้กระจกตรวจสอบอีกทีก่อนลุงพอบอกผมไว้หลายเดือนแล้วตอนนั้นเนื้อคู่ผมอาจจะยังไม่เกิดตอนนี้คงจะเกิดแล้ว ท่านพระครูอยากจะว่าแรงๆแต่เมื่อนึกได้ว่าอีกฝ่ายยังหนุ่มยังแน่นก็ต้องคิดเรื่องอย่างนี้อันเป็นธรรมชาติธรรมดาของคนหนุ่มคิดได้ดังนี้จึงพูดขึ้นว่าเอาล่ะเมื่อเธออยากรู้ฉันก็จะเล่าให้ฟังแล้วท่านจึงเริ่มต้นเล่าว่าฉันได้วิชานี้มาจากหลวงพ่อสุก วัดมาขามเท่าตั้งแต่ฉั้นบวชใหม่ๆผู้ที่จะเรียนวิชานี้ได้จะต้องได้กะสินฉันก็ฝึกอาโปกะสินอยู่หลายเดือนจึงได้ไปเรียนกับท่านเป็นวิชาไสยศาสตร์กระจกหมอดูนี้ดูแม่นอยู่สองเรื่องคือเรื่องของหายกับดูเนื้อคู่เชื่อไหม ถ้าฉันศึกออกไปหากินใต้ต้นมะขามส น, นามหลวงรับรองว่ารวยไม่รู้เรื่องเพราะคนเขาชอบดูเนื้อคู่กันโดยเฉพาะพวกอาจารย์สาวๆนี่ชอบดูนักแล้วทำไมลุงพอไม่ศึกละครับเป็นผมศึกไปซืตั้งนานแล้วพระบูฮหียวขัดขึ้นก็ถึงว่าสิแต่ทำไม ฉันถึงไม่สึกก็ไม่รู้ท่านแกล้งเออออรวบรัดตัดใจความก็คือฉันได้วิชาหมอดูมาจากหลวงพ่อสุขทีนี้พอคนรู้ก็พากันมาให้ดูใหญ่วิธีดูก็คือต้องเศกคทถาก่อนแล้วจึงเป่าไปที่กระจกเป็นกระจกแปดเหลี่ยมนะ ไม่ใช่กระจกธรรมดาเช่นสมมุติว่าเข้ามาดูเนื้อคู่พอเสกคาถาลงไปคนที่จะมาเป็นเนื้อคู่ก็จะไปปรากฏที่กระจกทีนี้เวลาจะลบก็ต้องใช้น้ำมนลบถึงจะออกถ้าไม่ใช้น้ำมนก็จะติดอยู่อย่างนั้นถึงเจ็ดวันจึงจะลบไปเอง ตอนนั้นนายจ่อยเขาเป็นเนนอายุเพิ่งจะสิบห้าแต่มารบเราให้ดูเนื้อคู่แม้พอภาพอีจุกติดในกระจกโกรธฉันเสียกใหญ่หาว่าฉันแกล้งเสร็จแล้วเป็นยังไงหนีพ้นอีจุกเสจที่ไหนท่านนึกภาพอีจุกเด็กขี้มูกมากคนนั้นแล้วยังอดํำไม่ได้ เห็นว่าลุงพ่อต้องเทข้าวทิ้งน้ำเพราะยมจุกเป็นเหตุจริงหรือเปล่าครับแล้วไม่กลัวผิดวินัยหรือครับกลัวสิทำไมจะไม่กลัวแต่มันคลื่นไส่ก็เลยบอกนินจอยว่าเราเลี้ยงปลากันเถอะแม้อีจุกนะอีจุกเล่นเอาฉันเทข้าวทิ้งน้ำทุกวันตอนบวชใหม่ใหม ฉันก็ไม่ได้เป็นพระดิบพระดีเท่าไรหรอกท่านสารภาพแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ถึงดีได้ล่ะครับคนฟังย้อนถามก็ตั้งแต่ได้เรียนกรรมฐานจากพระในป่าฉันเลยกลับเนื้อกลับตัวได้รู้ดีรู้ชั่วขึ้นมาเองเพราะการปฏิบัตินับว่าเป็นบุญของฉัน ไม่เช่นนั้นป่านนี้อาจกลายเป็นมานศาสนาไปแล้วก็ได้ท่านพระครูหัวเราะเหอก่อนที่จะเล่าต่อไปว่าอยู่มาวันหนึ่งสมภารจุ่นวัดบ้านเหนือก็มาขอให้ดูให้ดูของหายหรือครับไม่ใช่ดูเนื้อคู่ท่านลงเสียงหนักตรง ดูเนื้อคู่เนื้อคู่ใครครับกอเนื้อคู่ท่านนะสิอายุท่านก็ไม่เท่าไรแค่62อายุ62มาให้ดูเนื้อคู่สมผานนะสมผานแล้วหลวงพอดูให้ไหมครับฉันก็ว่าจะไม่ดูเพราะเห็นท่านแก่จวนจะเข้าเมนอยู่แล้ว ยังอยากจะมีคู่พุทโธพุทธังอนิจจังอนิจจาแล้วเห็นไหมครับมีใครมาปรากฏในกระจกไหมไม่มีเพราะเนื้อคู่ท่านยังไม่เกิดฉันก็บอกท่านว่าท่านสมพานเนื้อคู่ท่านยังไม่มาเกิดยังอยู่ในเมืองนรกท่านกโกรธใหญ่หาว่ากแกล้งที่จริง เป็นอย่างนั้นจริงๆแม้ไม่น่ามาโกรธกันเลยท่านพูดยิ้มยิ้มและตอนนี้สมพันธ์จุนยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าครับยังอยู่70กว่าแล้วไม่รู้ยังคิดที่จะมีเนื้อคู่อยู่อีกหรือเปล่าเหมือนเธอนั่นแหละประโยคหลังท่านวกมาหาคนฟังไม่เหมือนหรอกครับ ผมเพิ่งจะยี่ยังหนุ่มยังแน่นถ้า62ผมคงเลิกคิดแล้วพระ บ, บุยเหวี่ยงและจึงพูดเสียงอ่อยๆว่าลุงพ่อครับโปรดดูให้ผมสักครั้งเถอะครับรอบรองว่าผมจะไม่กวนใจลุงพ่ออีกเลยสายไปเส้นแล้วบุยเหี่ยวเอ๋ยอย่ามาอ้อนวอนจะให้ยากถึงฉันจัดใจอ่อน ก็ดูให้ไม่ได้เพราะฉันเลิกมาหลายปีแล้วทำไมเลิกเสะล่ะครับมันมีสาเหตุนะสิเอาละ่ะจะเล่าให้ฟังบอกตามตรงว่าไม่อยากเล่าสักเท่าไหร่เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็กลายเป็นอดีตไปแล้วเดี๋ยวจะหาว่าเอาเข้ามานินทาถ้ามันทำให้หลวงพ่อไม่สบายใจ ตรงเราก็ได้ครับพระโบเหียวพูดอย่างเกรงใจไม่เป็นไรเธอจะได้หายสงสัยเรื่องมันเป็นอย่างนี้คือนายบุญช่วยเข้ามาขอให้ฉันดูของหายของอะไรเขาหายหรือครับไม่ใช่ของเขาหรอกของคนขเขมรที่มาขออาศัยบ้านเขาอยู่ตอนนั้นขเขมรแตก ผู้คนก็พากันหนีออกนอกประเทศก็หอบทองกันมากคนละหลายสิบบาทคนที่มาอาศัยนบุญช่วยอยู่นั่นเอาทองมาหนักห้าสิบบาททีนี้อยู่ๆทองเกิดหายไปนายบุญช่วยก็พามาให้ฉันช่วยดูพอฉันเสกคถาเป่าลงไปที่กระจกแปดเหลี่ยมที่เธอเรียกว่า กระจกวิเศษนั่นแหละแต่ฉันเรียกว่ากระจกหมอดูผลปรากฏว่ายังไงรู้ไหมไม่ทราบครับปรากฏว่ารูปนายบุญช่วยไปติดอยู่ที่กระจกฉันก็ยังไม่ให้เขาดูบอกว่าโยมบุญช่วยกลับไปเถอะอาตมาไม่ดูให้หรอกเดี๋ยวจะผิดใจกันเปล่า เขาก็ยืนยันว่าอยากดูที่เขาพูดอย่างนี้เพราะไม่เชื่อว่ากระจกจะแม่นคิดว่าจะเหมือนรายของสมพานจุนที่มาดูเนื้อคู่แล้วไม่มีรูปปรากฏฉันก็ไม่ยอมดูให้ที่แท้ฉันรู้แล้วภาพนายบุญช่วยก็ยังอยู่ในกระจกเขาก็ไปตามสมพานจุ่น ให้มาช่วยพูดฉันบอกถ้าอยากจะดูก็ตามใจเลยเอากระจกให้ดูเธอเอ้ยเขากโกรธฉันสิใหญ่ไม่กโกรธอย่างเดียวกดดาหยับหยับขายขบรรพบุรุษฉันทั้งข้างพ่อข้างแม่ถูกนายบุญช่วยขุดขึ้นมาด่าหมดแถมเปลี่ยนหน้าให้ฉันสิอีก เปลี่ยนยังไงครับพระยวนสงสัยก็เปลี่ยนจากหน้าคนเป็นหน้าอวัยวะเพศนะสิตอนนี้หยาบคายมากท่านยังจำถ้อยคำหยาบคายของฝ่ายนั้นได้แล้วหลวงพ่อกโกรธไหมครับโกรธหน้าเขียวหน้าเหลืองเทียวละ่ะฉันก็เลยยกมือขึ้นประนมสาบานต่อหน้าสมภารจุนว่านับ แต่นี้ต่อไปฉันจะไม่ดูให้ใครอีกแล้วฉันก็เคลื่ยงกระจกมอดูลงแม่น้ำเจ้าพระยาไปทั้งทั้งที่ทมีรูปนายบุญช่วยติดอยู่นี่แหละสาเหตุที่ทำให้ฉันเลิกดูท่านพระครูเล่าเคลี่ยงของท่านก็คือคว้างแล้วเดี๋ยนี้นายบุญช่วยยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าครับ ผมอยากจะไปเตะมันสักสองสามปาบทานมาด่าครูบาอาจารย์ผมพระโบเฮียวพูดอย่างโกรธแค้นแทนอาจารย์อย่าไปสนใจเขาเลยฉันเองก็ไม่ได้ผูกพยาบาทคาดพยาเวณอะไรเขาแล้วมันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมพระโบเฮียวต่อให้ก็จริงๆนี่นะตอนหลัง มีคนมาบอกว่าเขาไปติดคุกอยู่หลายปีด้วยเรื่องนี้เรื่องขโมยทองขมิ้นนี่ตอนที่หลวงพ่อกโกรธหลวงพ่อกาหนดกโกรธเนอหรือเปล่าครับไม่ได้กาหนดเพราะตอนนั้นยังกาหนดไม่เป็นยังไม่ได้เรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อในป่าเลยกโกรธจะไม่มีดีถ้าเป็นคารวาสอยู่ ก็เห็นจะต้องตายกันไปข้างหนึ่งเห็นไหมเธอเห็นอานิสงส์ของการบวชหรือยังฉันถึงได้ไม่ยอมศึกเพราะไม่งั้นคงตกนรกเพราะฆ่าคนตายในบุญช่วยนี่แย่มากนะครับเขาอุตส่าห์หนีรอดมาพึ่งเย็นไม่น่าไปทำกับเขาอย่างนั้นใจดำอำมหิตจริงๆอย่าไปว่าเขาเลย เขากดชดใช้กรรมที่เขาก่อแล้วกรรมมันให้ผลทันตาเห็นจริงๆแม่นายบุญช่วยนี่สำคัญมาเปลี่ยนหน้าให้ฉันได้พูดแล้วก็โหเ ร, เรื่องที่เคยสะเทือนใจในอดีตปัจจุบันกลับกลายเป็นเรื่องหน้าขันเสียมากกว่าช่างไม่มีอะไรคงที่คงทนไม่มีตัวไม่มีตนให้ยึดให้ถือ แม้แต่อย่างเดียวถ้าผมจะไปขอเรียนวิชากับหลวงพ่อสุกบ้างท่านจะสอนให้ไหมครับพระบุหยวถามฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วฉันก็ไม่รู้จะไปถามท่านได้ที่ไหนเพราะท่านเข้าเมนไปสี่ห้าปีแล้วแม้จะไม่มีเชื้อสายวนแต่ท่านก็พูดยวนได้ แมมเสรยฐายจริงๆไม่งั้นผมคงมีโอกาสศึกไปนั่งตายตนมาขามแน่เลยเรียนจากลุงพอได้ไหมครับเธอจะเรียนไปทำไมมันไม่มีประโยชน์สักเท่าไรช่วยให้พ้นทุกข์ก็ไม่ได้ฉันตั้งใจแล้วว่าจะไม่สอนให้ใครแต่ถ้าจะเรียนวิชากรรมฐานฉันยินดีสอนให้เพราะเป็นวิชา ที่จะทำให้เราพ้นทุกได้เชื่อฉันเถอะย่างวิชาทำสนเสน่ก็เหมือนกันไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยหลวงพ่อเรียนด้วยหรือครับเรียนสิฉันเรียนวิชาสยศาสตร์มาหลายวิชาแต่เดี๋ยวนี้ทิ้งหมดแล้วเหลือแต่วิชากรรมฐานวิชาเดียวส่วนสยศาสตร์ทิ้งหมด ลุงพ่อคิดยังไงถึงไปเรียนวิชาทำสเสน่ห์ล่ะครับอ้าวก็อยากให้ผู้หญิงเขารักนะสิถามได้แล้วเขารักไหมล่ะครับรักหรือไม่รักก็นับปินโตไม่ไหวแล้วกันสาวสาวแย่งกันมาส่งปินโตวันหนึ่งยี่สิบเทาได้มั่งจนไม่รู้จะฉันของใคร แล้วเดี๋ยวนี้ทำไมไม่มีสักเทาเดียวล่ะครับก็ฉันไม่ยอมศึกสักทีปิ่นโตก็เลยค่อยๆหายไปทีละเทาสองเทา่าเพราะคนส่งเขาไปแต่งงานกับคนอื่นในที่สุดก็ไม่เหลือสักเทาอย่างที่เธอว่านั่นแหละแม้คนแถวนี้ไม่ไหวคบไม่ได้ แล้วท่านก็หัวเราะฮหอหอไม่ทราบว่าคำอะไรยิ่งเล่าคนเล่าก็ยิ่งนึกสนุกจึงเล่าต่ออีกว่าพวกคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่เบาน้อยวางแผนจะจับฉันไปเป็นลูกเขยโนนบ้านฝั่งโนนท่านชี้ไปยังบ้านที่อยู่อีกฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาวางแผนอย่างไรครับคนถามสนใจ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 ก็ไม่รอดปากเยี่ยวปากกามาได้รอกแล้วลุงพ่อคิดจะศึกไมครับนี่สิทธิ์แกล้งถามจะศึกไปทำไมกันเล่าอยู่มาจนป่านนี้แล้วอาจารย์ตอบจริงจังมันก็ไม่แน่นะครับลุงพ่อเพิ่งจะหาสิบสมพันจุ์จุนตั้ง62ยังคิดศึกเลยนั่นสมพานจุน่นแต่สมพานเจริญ ไม่เป็นอย่างนั้นแน่รับรองได้ถ้าจะสึกก็คงศึกเสียตั้งแต่หนุ่มๆแล้วตอนหนุ่มๆเขาไหวหลงพอรูปหล่อมากจนต้องกินยาลดความหลอ่อจริงหรือเปล่าครับนายจอยเขาเป็นคนบอกผมอ๋อเจ้าจ่อยเขาว่าอย่างนั้นเหรอแล้วเธอเชื่อเขาหรือเปล่าล่ะเชื่อหรือเปล่าเฮ้ยยังไม่เชื่อเสทีเดียว ผมอยากทราบข้อเท็จจริงจากปากล้มพ่อครับเธอจะรู้ไปทำไมฉันมองไม่เห็นประโยชน์สักนิดผมอยากศึกนะครับพระหนุ่มสารภาพเธอจะอยากไปทำไมนะโบเฮียวถ้าอยากรับรองว่าไม่ได้ศึกงั้นผมไม่อยากก็ได้พระโบเฮียวหลงกลท่านพระครูจึงสรุปว่า ดีดีฉันขออนุโมทนาการครองเพศบรรพชิตนั้นประเสริฐที่สุดแล้วเธอจะศึกออกไปสร้างเวรสร้างกรรมทำไมเล่าโถลวงเพ่ะก็คนที่เขาหล่อน้อยกว่าผมยังศึกนี่นาะพระหนุ่มครวนแล้วที่หล่อมากกว่าเธอที่เขาไม่ศึกละ่ะอย่างน้อยก็มีฉันคนหนึ่งละ อาจารย์ยั่วสิทธ์เรื่องของหลงพอไม่ใช่เรื่องของผมสิทธ์พูดงอนๆทำไมเธอถึงอยากศึกนักนะบัวเหี่ยวเรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของหลงพอเห็นสิทธ์งอนอาจารย์จึงพูดเป็นการเป็นงานว่าเชื่อฉันเถอะบัวเหี่ยวอย่าหาบ่วงมารัดคอเลยชีวิตแต่งงานนั้น มีแต่ทุกข์ก่อลุงพอไม่เคยแต่งงานแล้วหลวงพอรู้ได้ไงว่ามันทุกข์สิทย้อนก็เธอไม่ใช่ฉันแล้วเธอรู้ได้ไงว่าฉันไม่รู้อาจารย์โต้กลับพมยอมแพ้ไม่เทียงกับลุงพอแล้วเทียงไปก็ไรประโยชน์พระโบเหี่ยวยอมแพ้เอาดือด้อ มันไม่ใช่เรื่องแพ้เรื่องชนะหรอกบัวเหีียวเรามาพูดเรื่องจริงกันดีกว่าขอให้เชื่อฉันสักครั้งว่าชีวิตการครองเรือนนั้นมันทุกข์จริงอยู่ถึงฉันจะยังไม่เคยมีครอบครัวแต่มันก็เฉพาะชาตินี้เท่านั้นชาติที่แล้วฉันมีก็อย่างที่เคยเล่าให้เธอฟังนั่นแหละ เธอเดินอยู่บนเส้นทางอันประเสริฐแล้วจะมาเปลี่ยนเสถทำไมกันคำพูดของพระอุปชาทำให้พระบูเหียวได้คิดจริงสิหมู่นี้ท่านครุ่นคิดถึงแต่เรื่องลาสิกขาทั้งที่ตั้งใจไว้แต่ต้นแล้วว่าจะครองเพศสมณะไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่แต่เหตุไน จิตใจจึงมาปรวนแปร ى, เปลี่ยนแปลงไปได้ถึงป่านนี้ความสงสัยประดังขึ้นมาคราวนี้เป็นความสงสัยในตัวเองจึงเรียนถามท่านพระครูว่าลุงพ่อครับหมู่นี้ไม่รู้เป็นอะไรผมถึงได้คิดแต่เรื่องสึกออกไปมีครอบครัวอยากพบเนื้อคู่อยากแต่งงานเจ้าความรู้สึกอันนี้มันคอยรบกวนผมอยู่เรื่อยมันเป็นเพราะอะไรครับ มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะสิเธอรู้ไม่ใช่หรือว่าเวลานี้เธอกำลังทำอะไรอยู่เธอกำลังปฏิบัติกรรมฐานซึ่งถือเป็นการทำความดีขั้นสูงสุดเพราะการฝึกอบรมจิตนั้นเป็นยอดของการทำความดีเมื่อทำความดีก็ต้องมีมารมาผจญ มารที่เธอกำลังผจญอยู่ขณะนี้คือนิวรนนิวรนที่หมายถึงสิ่งที่มากีดกันขัดขวางไม่ให้เราทำความดีใช่ไหมครับถูกแล้วฉะนั้นเธอจะต้องมีความเพียรมีจิตใจที่เข้มแข็งฟันฝ่าอุปสรรคนี้ให้ได้เพื่อบรรลุความดีสูงสุดอันเป็นจุดหมายที่แท้จริงของชีวิต การที่เธอคิดแต่จะศึกออกไปแต่งงานก็เพราะอำนาจของกามฉันทะนิวรณ์ที่มันครอบงำจิตของเธออยู่กามฉันทะนิวรณ์ก็คือความพอใจในกามความอยากในกามคุณห้ามีรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสกามมคุณห้านี้มันเป็นตัวผลักดันชุด ให้เธอไปฝักไฟอยู่ในฝ่ายอกุศลธรรมส่วนเจ้าความลังเลสงสัยต่างๆนั้นเป็นอำนาจของวิจิกิจฉานิวรณ์ยังยังมีอีกที่เธอจะต้องพัจนยังมีพยาบาทนิวรณถีนมิทานิวรณและอุทธจักกุกกุจจะนิวรณอีกสามตัว นี่เธอยังเจอแค่สองตัวเท่านั้นและถ้าเธอเอาชนะเจ้าสองตัวนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปพูดถึงอีกสามตัวที่เหลือหลวงพ่อครับทำไมเจ้านิวรณ์มันถึงได้มารบกวนเฉพาะตอนที่เราปฏิบัติธรรมล่ะครับและเวลาที่เราไม่ปฏิบัติมันพากันไปอยู่เส้นที่ไหนถามอย่างค่องใจ มันก็แนบเนื่องอยู่ในจิตของเรานั่นแหละเมื่อไหร่ที่เรายังไม่ได้ทําความดีมันก็นอนสบายเฉยอยู่ต่อเมื่อเราทําความดีนั่นแหละมันถึงจะลุกขึ้นมาอารวาสเพราะฉะนั้นเราจะต้องไล่มันออกไปจากจิตให้หมดสิน้นอย่างที่หลวงพ่อผู้เสมอเสมอว่ามันไม่มี บรารมีไม่เกิดใช่ไหมครับก็คงงั้นมัง้งพระบุญเฮียวรู้สึกว่าจิตใจปลอดโปร่งขึ้นหากก็ยังสงสัยอยู่อีกนิดหนึ่งจึงเรียนถามท่านพระครูว่าหลวงพ่อครับแล้วยาลดความหล่อนี่มันมีจริงๆรหรือเปล่าครับถ้ามีจริงเธอจะทำไหมผมจะขอไปกินบ้างนะครับ พระอุบาชาได้ยินดังนั้นจึงพินิษพิจารณาคนเป็นสิทธิ์อย่างละเอียดทีท้วนแล้วพูดว่าหน้าตาอย่างนี้ไม่ต้องพึ่งยาลดความหลอไม่ต้องพึ่งโหลุงพอ่อมาแบบเดียวกับนายจ่อยอีกคนหนึ่งแล้วพระบุยเหีวยวโวยวายแล้วจึงชี้แจงอย่างน้อยอกน้อยใจในโชควาสนาว่า ผมไม่ได้ไม้ความวายอย่างนั้นคือไหนๆผมก็ไม่มีโอกาสได้แต่งงานเหมือนชาวบ้านเขาก็ทําให้มันสุดเรศไปเลยจะได้ปลองได้ว่าเพราะตัวคิเรถึงไม่มีผู้หญิงมาแต่งงานด้วยโจกามาฉันทะนิวรมันจะได้ลาทับกลับไปไม่มารบ ก, กวนผมอีกไม่ต้องใช้ยาลดความหล่อไปไล่มันให้ยุ่งยากหรอกถ้าเธอมีสติ รู้เท่าทันมันตลอดเวลามันก็ครอบงำเธอไม่ได้เราต้องใช้ปัจจัยภายในไม่ใช่ปัจจัยภายนอกท่านพระครูทั้งแนะนวและแนะนำครับถึงตอนนี้ผมเข้าใจแจ่มแจ้งแดงแจ๋เลยครับผมจะกลับไปสู้กับมันเดี๋ยวนี้กราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูง ที่กรุณาที้ทางสว่างให้ผมท่านก้มลงกราบอาจารย์สามครั้งแล้วลุกออกมาความอึดอัดขัดข้องพลันมลายหายไปมีความปรับปลืม้มโปรงใจเข้ามาแทนที่